ไม่ให้เป็นผู้มีที่จะจินแต่หาเราจึงคอยจะจินหาอยู่หาจินไม่ใช่มีอยู่มีจินเราจึงต้องทำให้มันมีซะจะไม่จนในความไม่ทุกเราไปจนตกความทุกข์ความหลงเรียกว่าจนอยู่คนในโลกนี่สแสวงหาต่างต่างกันไปแต่ถ้าพูดถึงาการปฏิบัติแล้วไม่ต้องแสวงหาที่ใดดูกับเราแท้ๆเกิดจากการกระทา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 ไปเขาศพไม่เคยมอดห้าพันปีมาฝั่งแม่น้าําคงคาเป็นศาสนาเก่าแก่มันเข้าสายเลือดไม่อาศัยตันเองเอาศัยร่างบาปด้วยการอาบน้ําได้ผลเพราะการร้อนวอนเทพเจ้าต่างๆตะบนก็ทํานอกกายไปหมดเลยตะหนอุทิศให้พ่อให้แม่ไปซื้ออาหารไปให้ปลากินพราพ่อแม่เราหายายไปเอาไปารลอยอังคารในน้ำํำเ อ, อาไปอาคงคา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 ปัะชาเวตนาแค่สัมผัสแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำเฉยนั่นไม่ต้องทําได้ไหมให้มันเสร็จไปซะรู้แล้วเทานี่ก็พอมันถูกก็รู้แล้วมันถูกก็รู้แล้วมันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็ก็รู้แล้วไม่ใช่ไปทําอะไรมันก็ง่ายมายแต่เราก็ทํายากเพราะทําไม่ถูกขั้นตอน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 ถ้าทำไม่ถูกเป็นทุกข์ับปฏิปทามกาก็ยากเหราะนันเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้จต่พิสตาือไม่ค่อยใส่ใจมันก็ค็อยาอยากอยู่พอเราทำลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจังกวมลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแก่ไปแก่ความคิดบ้างความทุกข์บ้างความง่วงเหงาหอนอนบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแก้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 แรงมากไปไม่ได้เมืองที่หลังพ่อไปเป็นเองปัญหาชายแดดระหว่างปากีสถานกับอินเดียมีแต่ทหารจ้าปืนจ้องกันอยู่ทุกตารางวาก็ว่าไดเวลาเราจะขึ้นบินขึ้นอยู่สลามบินติดอยู่ในสลามบินเป็นชั่วโมงเครื่องบินทหารขึ้นบานมาแมลงโม่เราก็ไม่มีโอกาสบินติดอยู่ตรงนั้นทำไมจะเป็น่างนั้นไม่เป็นธระ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 ก็เส้เจ้าก็เขาสนุกสารกว่าเรานะปลาในน้ำทะเลสอบโฉบอไปกินแล้วคนนอนโอ้ยนับจ้างหาอยู่หาจินแล้วจตอยู่แต่กินก็ลำบากแล้วยังไประวังโทษภัยอะไรต่างๆเข่นข่ากันนั้นคนภาคใต้เราก็เห็นใครจากไหนขี่รถจากหน้าแสงหลังก็ระวังเรา ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนวจฒนธรรมเมตตาต่อกันมามีสติเห็น อ, อกเขา อ, อกหลูกันน่าสงสารจริงคนเรานะขอให้ที่นี่เป็นที่ปวดป่วยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละเรามาที่นี้ให้เรามาปวดป่อยเหมือนกับอิสิปัตนะเบลคาถายวันประเทศนเดียเป็นที่ปวดป่อยสัตว์ทั้งหลาย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 ไปช่วยคนใกล้ญาติวินาทีทองท่อนใ จ, จะขาดก็ดีนะดีกว่ามณฑีป่าวเติ้งนะถ้าไปคงกันนขึ้นมามณฑีป่าวเติ้งไปเจ็บศพกันตั้งมณฑีขึ้นมาเราไม่ต้องไปทําให้ไม่ช่วยกันเนเนะลยญาติเราพ่อบอกคุณหมอเลยถ้าใครเจ็บป่วยมากบอกหลวงพ่อด้วยกินดีมากๆอ่นะไปช่วยกันเอา้าตอนนั้นก็ยังยังชาเกันไปเอาเดี๋ยวนี้ดีไหมเอาตา่อคนต่อเอาดีดีมันดีกว่าเนาะ